ปฏิบัติธรรมกันฟังธรรมกันในเรื่องวันมูทิตาสการะหลวงพ่อสนอง <c oughs> ถึงแม้ว่าท่านจะได้ล่วงลับไปแล้วแต่ว่ า, าคิดที่ที่มีการสการะบูช า, าท่านก็ยังมีเหมือนเดิมนี้ก็ครบรอบปี ที่มาถึงวาระหนึ่งของวันวันเกิดของท่าน <c oughs> ก็คือวัน5เมษายนเราก็ได้จัดงานกันเป็นวันมุทิตามาตลอดถึงแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วเราก็ได้มาปฏิบัติเช่นเคย <c oughs> าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำกันก็เพื่อว่าให้เราเนีพ้นจากทุกการพ้นจากทุกนี้เราจําเป็นจะต้องอเรียนรู้กรรมฐานที่ถูกต้องอถ้าเกิดว่าเราประพฤติปฏิบัติทำกันแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยกิเลสเราออกไม่ได้ กิเลสเราไม่สามารถจะดับได้คำว่าสมาธิเนี่ยคนเราเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีมาก่อนพุทธเจ้าคำว่าสมาธิเนี่ยมีประจำโลกเพราะมนุษย์เนี่ยเห็นว่าความเป็นไปต่างๆของโลกนี้มีความทุกข์มากจึงสแสวงหาทางดับทุกข์ด้วยวิธีต่างๆ นั้นสมาธิเนี่ยจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดของการที่มนุษย์พยายามค้นหาว่ า, าจิตใจของคนเราเนี่ยว้าวุ่นมีแต่ความไม่สงบของใจมาโดยตลอดความคิดแรกของมนุษย์เราเนี่ยก็พยายามที่จะให้จิตคนเราเนี่ยให้นิ่งลงไปเพื่อจะให้ มีความว้าวุ่นนั้นได้สงบระงับลงไปก็มีวิธีหลายๆอย่างที่มนุษย์พยายามที่จะทำขึ้นมามนุษย์เนี่ยศึกษาด้านจิตใจนี้มานานแต่ว่ า, าพยายามหาทางที่จะหลุดพ้นจากภาวะต่างๆถ้าเกิดว่าโลกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลย คนเราก็คงไม่แสวงหาทางดับทุกข์แน่นอนเพราะว่าโลกนี้มีความสุขดีอยู่แล้วความสุขของคนเราที่เราต้องการนี้เป็นความหวังของทุกคนที่เกิดมาก็คือหวังความสุขเป็นความสุขที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาเป็นที่พอใจของชีวิตถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าคนเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยมุ่งหวังอะไร เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตถ้าเรามองดีๆก็คือมุ่งหวังหาความสุขแต่สุขของโลกเนี้ยเป็นสุขที่มีอยู่ก็จริงแต่ว่าความสุขนั้น <S <s เขาเรียกว่า <S <s เป็นความสุขที่เจือไปด้วยทุกข์ความสุขเนี่ยจ ะ, จะเป็นความหวังของทุกคนที่จะต้องเข้าหาเพื่อ ให้ตัวเองเนี่ยดับทุกข์ก็คือมีความสุขเข้ามารองรับนั่นเองนะฉะนั้นความสุขเนี่ยจึงเป็นที่จุดหมายปลายทางที่สูงสุด ข, ของชีวิตเลยทีเดียวแต่ความสุขของโลกเนี้ก็มีความสุขอยู่ไม่ใช่มีความไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ด้านเดียวพุทธองค์ทรงกล่าวเรื่องนี้ว่าโลกนี้มีสุขอยู่ไม่ใช่ทุกถ่ายเดียวถ้าทุกถ่ายเดียวแล้วเนี่ย สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็คงจะไม่มีใครอยู่สักคนแต่ว่าโลกนี้มีสุขอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเพลิดเพลินในความสุขเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าโลกนี้เนี่ยมีความสุขด้านเดียวไม่มีทุกข์เลยเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็พอใจในความเป็นไปต่างๆของสุขในโลกนี้แต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสุขนั้นมีอยู่ แต่สุขนั้นตามมาด้วยทุกข์ซึ่งความทุกข์ที่ตามมาเนี่ยไม่คุ้มกับความสุขที่ได้รับอันนี้ก็คือว่าความเป็นจริงของโลกนี้ก็คือว่าความสุขที่เรามีอยู่ในโลกนี้สุขจริงแต่ว่าความสุขนั้นเนี่ยกับความทุกข์ที่ตามมาเนี่ยความทุกข์มากกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็เบื่อหน่าย คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงว่ า, าพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าคนที่บุคคลอ่าที่ท่องเที่ยวอยู่ในโลกในสังสารวัฏเนี่ยท่านเรียกสัตว์หมดเลยเช่นมนุษย์เราเทวดาอินพรมคนที่เวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอ่มีความท่องเที่ยวมีความติดอยู่ในโลกถ้า <c oughs> ท่านเรียกว่าสัตว์สัตว์ในความหมายของเราเราก็หมายถึงว่าสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นความจริงไม่ใช่สัตว์เนี่หมายถึงว่ามนุษย์และเทวดา อ, อินพรมจนถึงสัตว์นรกแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยความหมายของสัตว์นี่ครอบคลุมไปหมดหมายถึงว่าเวียนไหวใจเกิดเดี๋ยวยังไม่พ้นทุกเมื่อใดขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่าสัตว์อยู่อันนี้ความหมายของของ ของพุทธศาสนาจะกล่าวถึงว่าครอบสัตว์เนี่ยหมายถึงครอบคุมไปหมดแม้แต่ผู้เจ้าที่ยังสร้างบารมีอยู่ยังไม่ได้เป็นผู้เจ้าเขาก็เรียกว่าโพธิสัตว์โพธิหมายถึงว่าบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ตัดสู้เป็นผู้เจ้าแต่บุคคล น, นั้นยังไม่บารมียังไม่เต็มเขาก็เรียกว่าโพธิสัตว์หมายถึงว่าบุคคลที่จะต้องเป็นผู้เจ้าเนี่ย แน่นอนแต่ตอนนี้สร้างบรารมีอยู่ท่านถึงจัดว่าเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์แล้วก็เราเองก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอันนี้คือความหมายของของบาลีความหมายของธรรมะนะพูดร่งว่าสัตว์นี่รวบครอบคุมไปหมดเลยแต่ว่าเราเราส่วนมากแล้วเราก็จะให้คุณค่าของคาว่าสัตว์เนี่ยก็คือสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นความจริงแล้วความหมายกว้างมากทีนี้ว่าคนเราเนี่ย ต้องการความสุขมากาแต่ว่าความสุขที่ได้รับมาเนี่ยไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ตามมาเป็นผลความทุกข์ที่ตามมาเนี่ยความสุขน้อยแต่มีโทษมากาทุกข์ที่ตามมาเนี่ยก็คือโทษนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมเบื่อหน่ายในสุขนั้นซะจึงสแสวงหาทางที่มีความสุขยิ่งกว่านั้น ก็คือพระนิพพานหมายถึงว่าบุคคลที่มีบา ร, รมีเนี่ยจะปฏิเสธโลกว่าโลกที่ให้มานี้เจือไปด้วยทุกอันนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลส่วนใหญ่อยู่ในโลกนี้ก็คือเพลิดเพลินไปตามความสุขของโลกตามยุคตามสมัยเพลิดเพลินอยู่ในเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิด แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมีสัตว์กลุ่มหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่สร้างสมบารมีมาเห็นว่า ส, สุขที่โลกมีอยู่นี้เป็นความสุขที่ไม่สะอาดเป็นความสุขที่ตามมาด้วยทุกข์จึงเบื่อหน่ายสุขประเภทนี้จึงสแสวงหาทางหาความสุขอื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าจุดประกายของการที่เราค้นหาทางดับทุกข์ก็คือ เราจะต้องหาความสุขอื่นที่ไม่ใช่สุขที่โลกให้มาโลกให้มาเนี่ยก็คือความทุกข์มากเป็นสุขอยู่แต่ความทุกข์ตามมามากมายอันนี้แหละที่เรียกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงคนที่จะปฏิเสธโลกปฏิเสธความเป็นโลกเห็นโลกนี้เป็นของทุกข์ไปแล้วก็สแสวงหาทางที่จะพ้นจากโลกจึงเกิดการที่ คิดหาทางออกเรื่องนี้อันนี้ก็คือว่าบุคคลที่ได้มีความคิดอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีนะมีบารมีฉะนั้นสุขในในโลกนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นภพภพหนึ่งเขาเรียกว่ากา ม, มาภพาซึ่งเราเกิดมาก็คือเกิดอยู่ในกา ม, มาภพมนุษย์และเทวดาชื่อว่ากา ม, มาภพ พรมะโลกก็คือรูปประพบเหนือขึ้นไปพรมเขาเรียกว่าอารูปประพรมเขาเรียกว่าอารูปประพบพบสามพบนี่เองสามารถที่จะรู้ทําได้เขาเรียกว่าพบทั้งสามที่เราเคยได้ยินอยู่เสมอก็คือมนุษย์และก็พรมะโลกสองพบงรูปประพรมอรูปประพมแต่เราเนี่ยเขาเรียกว่ากามกามัดามเป็นเขาเรียกว่ากามปรพบก็คือทั้งมนุษย์และเทวดาก็คือกาม ากามมาพบซึ่งเป็นภพภูมิหนึ่งที่เราเกิดมาก็คือมีกามมคุณอยู่ถ้ากามมคุณอันนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของความสุขของโลกนี้ความสุขโลกนี้ก็คือความสุขของกามนี้เองกามนี้จึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก วันนี้ก็คงจะแสดงธรรมเรื่องกามและก็กิเลสของกามกามนี้ก็คือมีวัตถุกามกับกิเลสกามอสองอย่างซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้ว่ากามนี้เนี่ยมีอย่างไรเป็นอย่างไรเขาแบ่งเป็นสองประเภทก็คือหนึ่งกิเลสกามสองวัตถุกาม อันนี้ก็คือว่าความสุขของโลกนี้ก็คือความสุขในกามเท่านั้นเองเราจะเห็นว่าเรื่องยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่คนเราเนี่ยถูกครอบคุมก็คือกามมาคุณนั้นกามนี้ก็คื อ, อความเป็นหญิงเป็นชายที่เราจะต้องมอีความเป็นไปต่างๆนี่อยู่ในจิตใจของทุกคนเกิดมาถ้าคนไหนไม่มีเรื่องกามก็คงไม่เกิดมาแน่นอนแม้แต่ว่า สิงสาราสัตว์ก็ตกอยู่ในอิทธิพลของกามแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเราเห็นไว้ว่าต้นไม้ใบหญ้าก็มีการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเองอิทธิพลกามเลยจึงครอบคุมโลกทั้งโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนกันอยู่ซึ่งจะเป็นวงจรอันหนึ่งที่บุคคลจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยวงจรเหล่านี้ ถ้าไม่มีการแล้วเนี่ยก็คงจะเวียนว่ายตาเกิดไม่ได้อ่าอันนี้ก็คือว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ากามาพบทีนี้ว่าคนเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยมีวงจรต่างกันไปเขาเรียกว่าการเกิดของบุคคลก็หรือว่าการเกิดของหมูสัตว์ก็แตกต่างกันไป เช่นสัตว์บางบางอย่างเนี่ยเกิดด้วยการตั้งคันสัตว์บางอย่างนี้มีมีไข่สัตว์บางอย่างเนี่ยเกิดในสิ่งสกรปรกที่หมักหมมสัตว์บางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดขึ้นโตทีเดียวเขาเรียกว่าโอปติกะเกิดขึ้นม า, าเกิดจากไข่ก็คืออันทชะฉลาพุชะอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าเราเนี่ยเกิดจากคันตั้งคันขึ้นม า, ามนุษย์เราตั้งคันนะแต่สัตว์บางประเภทเขาเรียกว่าเกิดเป็นไข่ก่อนเช่นนกพวกานาคนกอะไรตําองนี้ที่การเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือมีการสืบพันธุ์ขึ้นมาความสืบพันธุ์ตรงนี้แหละเขาเรียกว่ากามแล้วก็กามนี่แหละเขาเรียกว่า กิเลสของคนเราเนี่ยมีควากามอยู่ในใจของทุกคนเขาเรียกว่ากิเลสกามตัวบุคคลนั้นเขาเรียกว่าวัตถุกามกามกับกามกับวัตถุกามซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้ว่ากามกับวัตถุกามนี้คืออะไรจริงอยู่เราเกิดมาทั้งหมดเนี่ย เรายังไม่รู้ว่าเรามาจากไหนอะไรแต่ว่าความว่าเป็นกามเนี่ยเกิดขึ้นในใจของทุกคนเหมือนกับว่ามันมีอยู่ในใจมาก่อนแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยก็คือเกิดซึ่งซึ่งอาศัยกันและกันพ่อแม่ตายไปก็มาใส่ลูกหลานเกิดลูกหลานก็เกิดจากพ่อแม่ ก็ซื้อเผาพันกันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่มากมายกายกองก็เรียกว่าไม่มีใครไม่เป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครเป็นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันไม่มีเลยอันนี้ก็คือเบียน่ายตายเกิดในมามากมายแต่เราระลึกชาติไม่ได้นะก็เลยว่าถูกขับเคลื่อนด้วยอ่าเขาเรียกว่ า, นว า, วาคนที่เกิดมาก็เอื้ออำนวยคนที่จะเกิดมาทีหลังคนที่อ่า เกิดมาที่หลังก็เอื้ออํานวยให้คนเป็นรุ่นรุ่นไปให้สืบเผ่าพันธุ์กันไปแล้วก็กิเลสทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูแล้วเนี่ยก็เหมือนเราดูเหมือนนกเหมือนหนูเนี่ยโตขึ้นมาเขารู้จักหาธรรมาหากินต่อมาก็รู้จักทําลังอมีสามีภรรยามีคู่กันแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสุดท้ายก็ต้องตายไปอ่า แล้วเราเองก็เหมือนสัตว์เหล่านั้นแต่มีสติปัญญาอยู่เหมือนกันมากกว่าสัตว์เหล่านั้นแต่ว่าความเป็นไปต่างๆก็คือระบบเดียวกันะระบบเดียวกันก็คือหมูสัตว์ก็เป็นอย่างเรานั่นแหละทนี้ว่าเราขับเคลื่อนมาด้วยระบบอันนี้เราก็เลยเกิดมาก็ทำตามเหมือนกับว่ามีกฎกติกาอยู่ในหัวใจของทุกคนว่าเกิดมานะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะ กิเลสในภายในใจของเราเนี่ก็สําแดงฤทธิ์ออกมาให้เราประพฤติตามเช่นนั้นกิเลส ท, ที่อยู่ภายในของจิตใจของทุกคนเนี่ยเกิดมาก็เหมือนกับว่ามีพฤติกรรมเดียวกันทุกคนไม่ได้บอกไม่ต้องบอกจะรู้เองอ่ารู้เองโดยฉันชาติยานของจิตใจก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ในอิทธิพลสิ่งเหล่านี้เมื่อเราอยู่ในอิทธิพลเหล่านี้เนี่ยเราก็ แสดงตนไปตามอิทธิพลตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีอยู่โดยในตัวมันเองไม่ว่าเราจะเกิดเผ่าพันธุ์ไหนอยู่ที่ไหนของโลกนี้ต่างคนต่างอยู่ในอิทธิพลเดียวกันแต่เมื่อเราเป็นสัตว์ที่ฉลาดมีสติปัญญาเราก็มาเรียนรู้ว่าเมื่อเราเกิดมาทั้งทุกเออเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีกามอยู่ เราจะทำตามตามที่ธรรมชาตาาิวางให้เราเดินทางอย่างนั้นหรือเราจะฝืนธรรมชาติแล้วก็สลัดความเป็นธรรมชาตินั้นออกทิ้งเสียอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษาว่าการที่เราทำตามธรรมชาตินั้นไปก็เท่ากับว่าเราไหลไปตามกระแสของโลกคำว่าโลกโลกก็หมายถึงระบบที่เป็นไปต่างๆนี่เอง ไม่ใช่ว่าโลกกลมๆนี้อย่างเดียวทั้งโลกกลมๆนี้ด้วยทั้งความเป็นอยู่ของคนที่เกิดในโลกนี้นี้ด้วยพร้อมเท่ากับสิ่งต่างๆที่อยู่บนในบนโลกนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเรียกความเป็นโลกอันนี้แหละเราเราก็อยู่ในอิทธิพลเดียวกันแต่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลา ด, ร, ดรู้จักคิดรู้จักค้นรู้จักมองว่าอะไรคืออะไร จึงเป็นภพที่มีปัญญ า, าตั้งแต่ว่าเขาเรียกว่าภพทั้งสามเนี่ยมีปัญญานอกนั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เลยก็คือเราก็คือการมาพบแล้วก็รูปประพบอันรูปปพ บ, พบเท่านั้นเองเขาเรียกว่าภพทั้งสามภพทั้งสามถ้าเป็นอบายสี่เนี่ยไม่ได้เลยภพภูมิเหล่านั้นเนี่ยจะไปนิพพานไม่ได้เพราะว่าเกณฑ์ต่ําก็คือ เพเรตอสุลัตเดรัจฉานาเพเรตอสุรกาสัตเดรัจฉานันนรกจะไม่มีสิทธิ์ไปได้เลยเพราะว่าสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ำแล้วก็ภาวะต่างๆไม่เอื้ออำนวนให้จะเป็นไปแต่เราก็ไม่รู้นะเราได้ยินอย่างนั้นมาก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้ทีเดียวตอนนี้เราก็รู้ตรงที่ว่าเราเป็นอะไรมีอะไรอยู่ก็คือภาวะปัจจุบันนี้เอง ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดม า, าเป็นหญิงเป็นชายก็ดีแต่อยู่ในอิทธิพลของโลกนี้แต่ว่าโลกนี้เนี่ยให้ธรรมชาติเรามาก็คือกิเลสสามตัวราคะโทสะโมหะแต่ตัวใหญ่ที่สุดเนียก็คือกามนั่นเองก็คือราคะนั่นเองราคะก่อให้เกิด เป็นโทสะโทสะนั้นมาจากราคะนะเพราะกิเลสสองตัวเนี่ยเกิดมาด้วยกันแต่เวลาดับเนี่ยดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนั่นเองแล้วก็โมหะนี่ก็คือมาจากกามนั่นเองแต่ดับโมหะนี่คือคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นกามอย่างละเอียดนะแหละกามหยาบดับก่อนว่างั้นเถอะ เป็นกามนั่นเองแหละแต่ว่ามันของละเอียดกว่าครอบคุมทั้งของหยาบของละเอียดทีเดียวก็เลยว่าดับที่หลังดับที่หลังแสดงว่ากามเนี่ยเป็นรากเง่าของกิเลสทั้งมวลทีเดียวเราเห็นไม่ว่ากามเนี่ยยิ่งใหญ่มากก็คือว่ากามเนี่ยมีก็เรียกว่ากามอย่างหยาบอย่างละเอียดเราเห็นไม่ว่าพระอนาคามีเนี่ยดับ การมราคะได้แล้วก็โทสะอย่างที่บอกว่าเมื่อมีการเมื่อเมื่อ ม, มีราคะโทสะย่อมมีเวลาดับเวลาการมราคะดับไปเนี่ยโทสะก็ดับไปด้วยแต่โมหะเนี่ยยังเหลืออยู่เวลาเหลืออยู่เนี่ยเราเห็นไม่ว่าสังโยชน์เบื้องบนก็คือรูปราคะอรูปราคะอุทจจะ อ, อ, อ, อุทจจมานะอวิชชาก่อนในเมื่อบุคคลที่ละราคะได้ก็คือพระอนาคามีแต่ทำไมก็เขาว่าพูดว่าราคะอีกละ่ะรูปราคะอารูปราคะฉะนั้นราคะตัวนี้เนี่ยความหมายกว้างไม่ใช่การ ม, มาราคะอย่างเดียวคือราคะตัวนี้เนี่ยแปลว่ายินดีแล้วก็ ยินดีในรูปไหนล่ะในรูปของกาม <ăng> เขาเรียกว่ากามมาลาคะยินดีในฌานเขาเรียกว่ารูปลาคะยินดีอารูปฌานเข <ăng> าเรียกว่าอารูปลาคะนั้นราคะตัวนี้เนี่ยเป็นศัมรวมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความยินดีในกามเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาลาคออะก็เลยสับสองศับเนี่ยจะมาะเขาเรียกมามามาใช้ตรงที่ว่ากามมาลาคะแต่กามเนี่ยเด่นชัดเลย แต่ว่ารูปลาคะอรูปลาคะนั้นก็หมายถึงว่ายินดีในรูปประชาณอรูปประชานก็มีคาว่าลาคะอีกอันนั้นก็หมายถึงว่าเป็นสังโยชน์ของพระลหันทั้งหลายแต่พระอนาคามีเนี่ยละกามลม า, าคะไดา้แสดงว่าความยินดีเนี่ยลึกมากก็คือกามนะกามนี่จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะ ทีนี้เรามาศึกษาว่าคนเราเทำไมจะต้องมีการที่คิดออกจากกรรมในเมื่อกามเนี่ยเป็นของโลกที่สร้างมาสร้างมาเมื่อไหร่ไม่ทราบแหละแต่ว่ามันมีอยู่ในใจทุกคนแล้วเมื่อเราเกิดมาก็แสดงฤทธิ์ออกมาให้เราเนี่ยได้วิ่งหาไปตามกระแสรหรือตามอำนาจของเขาอันนี้แหละเขาเรียกว่า กิเลสกามนี้ก็เลยว่าเป็นผู้มี อ, อิทธิพลในจิตใจของคนเราสูงทีเดียวอแล้วก็กามนี้เนี่ยทําไมจะต้องออกทําไมต้องพ้นไปทําไมต้องดับเสียเพราะอะไรเราหวังผลอะไรทําไมไม่ให้ปล่อยอยู่ในในใจของเราแล้วก็ทำไปตามนั้นไปก็เพราะว่าบุคคลที่ เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือพบพบทั้งสามเนี่ยมีสติปัญญาอ่ามีสติปัญญาว่าคนเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยเราทําตามกระแสของธรรมชาติไปด้วยความซื่อสัตย์ของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ให้เรามาวัยเลี้ยนก็เลี้ยไวัยโตมาก็เป็นหนุ่มสาวก็มีมีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีลวงมีรางเหมือน มันนกเหมือนหนูเหมือนกันแต่ว่าคนเราก็ทําให้ฉลาดทําให้เขาเรียก ว, ว่าสัตวฉลาดอยู่แล้วก็ทําให้ดีหน่อยอก็แต่ว่านัยะเนี่ยไม่ต่างกันเลยซื้อเผ่าพันธุ์กันไปสร้างเผ่าพันธุ์กันไปทีนี้ว่าบุคคลเราเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่ฉลาดมองถึงความเป็นไปต่างๆมองโลกด้วยความเป็นโลกแล้วก็วิเคราะห์โลกว่าโลกนี้ มีคุณและมีโทษอย่างไรในเมื่อเราทำตามแล้วเราจะได้อะไรเมื่อโลกนี้มีอยู่บุคคลที่มีสติปัญญาบรารมีเช่นผู้ธเจ้าหรือพระราหนทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่เดินตามกระแสโลกไปเล่าในเมื่อโลกนี้เขามีอย่างนี้ให้มาเราก็ตามตามนี้แหละตามสิ่งที่ให้มานี่แหละฉะนั้นจึงคิดหาทางพ้นออกจากโลก ก็เพราะว่ากามนี้พุทธองค์ทรงตัดว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีโทษมากเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อความคับแค้นเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความหลงเป็นไปเพื่อความไม่รู้แจ้งเป็นไปเพื่อความ เขาเรียกว่าความดับแห่งปัญญ า, าปัญญาคนเราจะถูกปิดหมดเลยดับนะเขาเรียกว่ามันมืด่ดังนั้นคนที่มีการมลาคะอยู่ย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมืดไปทุกแดดก็ เ, เรียกว่าอํานาจของกามมีครอบงํามืมดย่อมไม่เห็นสัจธรรมย่อมไม่เห็นความถูกต้องรู้ผิดรู้ทั่วนี้ไม่ไม่ต้องคํานึงถึงเพราะบุคคลเหล่านี้ถูกครอบงําด้วยกาม ย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้รักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็ได้มุสาสุลาแล้วประพฤติผิดต่างๆมากมาย อ, อากุณธรรมกรรมบท10บที่เราทำอยู่เสม อ, อเขาเรียกว่ามาจากกามนี้เป็นเหตุฉะนั้นเมื่อกามนี้อยู่ในหัวใจของบุคคลย่อม ก, อ ก, อก่อให้เกิดบ้างก่อให้เกิด การประพฤติ ช, ชั่วทุจริตสามนี่มากมายก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจะฆ่าฆ่าสัตว์ก็ได้ฆ่าคนก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมมุสาสุราหรือผิดอากุศลมากมายกายกองแล้วนำไปสู่ความหายนะในโลกนี้ก็มีการจองจำมีคุกมีตารางมีโทษกันที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเป็นกฎกติกาของ มนุษย์เองที่จะสร้างกฎกติกาที่มาครอบคุมหรือปกครองมนุษย์ด้วยกันเราก็ยังฝ่าฝืนอำนาจเหล่านั้นเพราะอาศัยกามนี่เองทำให้เราลุกอำนาจมีการจองจำมีนักโทษมากมายเกิดจากกามนี่เองเป็นสาเหตุต้องลักทรัพย์ป้นผิดกาเมสารพัดต้องฆ่ากันต้องแย่งชิงกันบางคนบอกว่า เขาไมา่ได้ติดคุกเรื่องกามหรอกติดคุกเรื่องอะไรไปป้นเขาไปไปฆ่าเขาไปลักทรัพย์ถามว่าป้นไปมาเพื่ออะไรเมื่อมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงลูกหลานเอ้าลูกหลานมาจากไหนตัวเองมาจากไหนสามีปัญญามาจากไหนมาสร้างบ้านบ้านมาจากไหนมาจากกามเราเห็นไหมว่ากามเนี่ยเขาเรียกว่ามันทั้งโดยอ้อมทั้งโดยตรงเลยนะ บางคนไปโป้นเขาเนี่ยมาจากไหนล่ะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านั่นเองเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยานั่นเองผิดกาเม จ, จะโกงจะคอรับชัน่นหรือทําทุกอย่างที่ผิดอยู่ในโลกนี้มากมายกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมากมายล้วนแล้วแต่มาจากอํานาจของกามทั้งนั้นเรามองดีๆเนี่ยบางครั้งเหมือนก็ว่าไม่ใช่กามแต่ว่าโดยอ้อมนะชัยตัวเขาแหละตัวกาลนี่แหละ แต่โดยตรงเนี่ยดูไม่ออกว่าเป็นกามมีสามีภรรยานอกใจกันบ้างมีสารพัดคดโกงกันจะคอร์รัปชันจะทำอะไรทั้งหมดเพื่อจะกอบกลวยผลประโยชน์นั้นมาบำรุงบำเรอตนและครอบครัวของตนก็คือจากกามนั่นเองอันนี้เราจะเห็นว่าอิทธิพลของการทำชั่วมนุษย์เหล่านี้ก็มีกฎกติกากันในสังคมก็คือกฎหมายแล้วก็จับผิดกัน ด้วยลงโทษกันด้วยด้วยการผิดศีลผิดธรรมก็มาจากการแล้วยังไม่พอตายไปสำปลายาภพข้างหน้ายังมีนรกรอเราอยู่แล้วกําเนิดสิ่งที่ตกต่ำกว่านั้นเขาเรียกภพภูมิที่ต่ําไปก็คืออบายสีรอเราอยู่แล้วเป็นอยู่นี้ก็มินเมต่อการผิดผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วตายไปแล้วอบายสีก็รอรับเราอยู่ เขาเรียกว่าบุคคลใดเนี่ย <c oughs> ลาคะกับการ ม, มาาคะมากเนี่ยบุคคล น, นั้นก็คือเป็นเปรตบุคคลโทสะมากก็คือสัตว์นรกโมหะมากเขาเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือมาจากกรารมเป็นโลกลากเงาทั้งหมดอันนี้ภพภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าอาบายสีนี้หมดสิทธิ์เลยนะทำความดีไม่ได้แต่ว่าเราเป็นมนุษย์ จึงเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคิดอ่านกันว่าความเป็นมนุษย์นี่เองทำให้เราเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้เรื่องบาปปุนคุณโทษกันไปแต่ว่าเมื่อค้นไปค้นไปเนี่ยสาเหตุใหญ่ก็คือมาจากกรมนี่เองเป็นผู้มืดบอดเป็นผู้ที่มองไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์คูอื่นบุคคลใดที่พ้นจากกรมแล้วไม่มีกรมย่อมไม่มีโทษทั้งหมดเลย ไปว่าโทษล้นในโลกนี้ย่อมไม่มีโทษในโลกหน้าย่อมไม่ปรากฏเพราะไม่มีกามนั้นเป็นเหตุพุทธองค์ทรงค้นว่าอะไรหนอเป็นเหตุของกามนี้อ่าเขาเขาเรียกว่าท่านกล่าวถึงว่าความเป็นไปในต่างๆ่างว่าอ่การที่ท่านยังค้นหาสัจธรรมอยูอย่เมื่อเมื่อได้ค้นหาสัจธรรมอยู่เนี่ย ยังไม่ตรัสรูใ้ในในในคำเขาเรียกว่าตัดรัดสรู้ในยาศาสตร์สี่เนี่ยพูดองค์ทรงค้นเรื่องเหล่านี้ว่าในเมื่อเราเนี่ยยังไม่เห็นคุณและโทษในการมทั้งหลายเท่าใดเท่าที่มีอยู่จิตของเราก็ไม่แล่นไปด้วยดีในการที่จะบำบัดออกจากการมเมื่อจิตของเราเนี่ยเมื่อเราค้นคว้าหาโทษเท่าที่มีอยู่ของการม คุณทั้งหมดของกรมหรือและโทษของกรรมทั้งหมดรู้เห็นตามจริงเห็นคุณและเห็นอนิสงค์ออกจากกรามว่าเมื่อกามนี้เองมีโทษมากแล้วก็นำไปสู่ความหายนะทั้งหมดตกต่ำเ ป, เป็นไปเพื่อความตกต่าเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาแล้วก็เห็นอนิสงค์ว่าถ้าเกิดว่ากรามนี้ไม่มีในเราเสียแล้วเนี่ยเราหาโทษ ในสิ่งที่ไม่มีกาบนี่ไม่มีเลยพิจารณาไปทั้งวันทั้งคืนหลายวันหลายคืนย่อมไม่เห็นแม้แต่นิดเดียวว่าความไม่มีกามนั้นจะมีโทษแต่ที่ไหนเมื่อเป็นอย่างนี้จิตย่อมเห็นคุณของการออกจากกามเมื่อเห็นคุณจิตจึงแล่นไปด้วยดีในการคิดหาทางที่จะชนะกามนี้อันนี้เป็นคําประลาบในเมื่อพุทธองค์ทรงเป็นทรงพระเป็ น, ปนพระโพธิสัตว์อยู่ยังสแสวงหาทางดับทุกข์อยู่เนี่ย พระองค์ทรงค้นคว้าเรื่องนี้ว่าก่อนที่จะเอาการออกเนี่ยต้องคิดดูว่าคุณมีไหมโทษมีไหมอุบายออกมีไหมแล้วคุณและโทษนั้นมีเท่าไหร่จะรู้จักเท่าไหร่จะจะรู้จักได้อย่างไรพุทธองค์ทรงค้นคว้าเรื่องเหล่านี้นะว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไรเพราะเราเกิดมาเนี่ยแม้แต่พุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่หรือยังเป็นท่องเที่ยวอยู่ใน วัตฏะสงสารเนี่ยท่านก็มีการมเหมือนกันแต่เมื่อมีแล้วเนี่ยท่านก็วิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทำให้ท่านเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานแล้วก็เป็นไปในต่างๆก็เพราะไม่เห็นโทษในการมทั้งหลายติดอยู่ในความสุขของการมมคุณเหล่านั้นเป็นเหตุจึงเกิดการท่องเที่ยวอยู่ในวัตอันยาวนานบางคราว ทําดีขึ้นมาก็อาจจะพบชาติก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยเมื่อบรรดุญอาจจะลงลงต่ําอีกและความดีของเราเนี่ก็ทํายากยากเพราะการตัวนี้จะเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อความดีฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทําความดีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการอยู่เนี่ยไม่ค่อยยอมรับเลยความดีความดีเนี่ยเป็นของที่มีอยู่แต่ใจทําไมไม่ยอมรับ พ่อใจของเราเนี่ยเต็มเพราด้วยกามเหมือนผ้าสกรปรกที่ยังไม่ได้ซักจะรับสีย้อมได้อย่างไรเราต้องซักก่อนนะว่าเวลาย้อมผ้าเราต้องซักก่อนให้สะอาดสีย้อมถึงจะติดดีจะจ ะ, จะสามารถที่จะย้อมผ้าได้ดีกว่าชั้นใดก็เหมือนการจิตเราเนี่ยเราจะให้จิตเราสงบตั้งมั่นโดยการปราศจากเอากาม ไม่เอากามออกให้กามก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ให้จิตตั้งมั่นในท่ามกลางนั้นด้วยเป็นไปไม่ได้เลยว่าจิตเราจะตั้งมั่นได้เพราะว่ากรารนั่นแหละทําให้เราสั่นคลอนตลอดเหมือนผ้าที่สกรปรกเกอะกลังอยู่การที่เราไม่ซักผ้าให้สะอาดก่อนเนี่ยจะรับสีย้อมได้อย่างไรจิตของเราเหมือนกันถ้าเราไม่เอากามมันออกจิตเราจะตั้งมั่นได้อย่างไรสติปัญญาของเราจะแตกฉานได้อย่างไร ย่อมเห็นประโยชน์ตนประโยช น, ยชน์ผู้อื่นได้อย่างไรอันนี้ก็น่าคิดนะว่ า, าคนเราเนี่ยจิตที่บอกว่าไม่สงบเลยไม่สงบเลยเนี่ยามานั่งสมาธิบอกสงบไปไม่สงบเลยก็สงบได้อย่างไรหรืเพราะกามมันมีอยู่กาม น, นั่นแหละทำให้เราไม่สงบทุกวันนี้แล้วการไม่สงบของเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเราย่อมไม่รู้สัจธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างแน่นอน เหมือนบุคคลที่มองเงาอยู่ในน้ำมองเงาของตนอยู่ในน้ำแต่น้ำนั้นแ่ะไม่นิ่งน้ำกระเพื่อมอยู่เราจะเห็นเงาของเราได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตของเราเนี่ยไม่สงบไม่สงบ ไม่สงบเราจะเห็นพระสัตว์ทำคำสอนพระเจ้าได้อย่างไรทำยังไงก็ไม่สงบทำยังไงก็ไม่สงบสงบยากเหลือเกินถึงบางครั้งจะสงบได้บ้างแต่ก็สั่นคลอนอยู่เสมอความสงบนั้นก็เหมือนกับว่าเราจุดเ ท, ยเทียนแท่งเล็กๆฝ่าลมอันเขาเรียกว่าฝ่ากระแสลมไป หวังว่าเราจะเดินไปด้วยปฏิปันนี้เนี่ยให้ส่องสว่างในทางเส้นนั้นไปยากเย็นเหลือเกินกับการที่จะประคับประคองไฟไม่ให้ดับถึงดับไปบางครั้งก็จุดใหม่แต่ลมนั้นก็ยังมีอยู่นั่นเองเราก็ถึงความลำบากแน่นอนเราสังเกตไหมว่าเวลาเราตั้งจิตให้มัน่นเป็นสมาธิเนี่ยกว่าจะทำสมาธิได้เนี่ยโอ้โหยากเย็นยากเย็นมากเพราะอะไรเพราะมันมีแต่อารมณ์ อารมณ์กับลมเนี่ยอันเดียวกันเวลาจิตเราเนี่ยบางครั้งเราเราฝืนการกระทําของเรามากขึ้นมากขึ้นบางครั้งเหมือนกับว่าเราสงบได้บ้างแต่แล้วก็สงบนั้นก็ไม่ได้หมายถึงจะจะได้สงบตลอดเราก็รักษาไม่ได้รักษาได้ยากอยู่ดีถึงแม้เราจะผ่านการสงบมาแล้วเนี่ยเวลาจิตออกจากสมาธิมาเอาอีกแล้ว จิตเรายุ่งอีกแล้วเหมือนก็ว่าความเหนื่อยหนักเหมือนบุคคลที่จุดเทียนที่ผ่ากระแสลมไปบางครั้งเทียนนั้นดับเราจุดใหม่จุดใหม่ก็ดับใหม่จุดใหม่ก็ดับใหม่บางครั้งประครับประคองได้ไม่นานก็ดับอีกแล้วบางครั้งอาจจะนานหน่อยแต่ก็ดับอยู่ดีฉะนั้นสมาธิที่เราทำไปเนี่ยมันท่ามกลางอารมณ์เพราะอะไรอารมณ์มาจากไหนเพราะกามนั่นเองเป็นเหตุ เราจะเอาการมออกไปเพื่อให้จิตเ้าเราตั้งมั่นท่านกล่าวไว้ว่ามุนีไม่ละการมทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบระงับดยถ่ายเดียวไม่ได้เลยอันนี้ก็จริงๆนะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาให้การม อ, อ่ให้ให้จิตเราตั้งมั่นไปด้วยกันพร้อมกับการมอย่าหวังเลยนะว่า จิตนั้นจะเป็นผู้ตั้งมั่นอย่างนั้นอย่างที่เราคิดเพราะว่าพุทธองค์ทรงกล่าวไว้แล้วนี่ว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบสงบระงับโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยต้อเข้าใจไมโดยส่วนเดียวก็คือสงบบ้างไม่สงบบ้างอันได้อยู่แต่ถ้าสงบตลอดเนี่ยจะไม่ได้เลยเขาเรียกว่าสงบโดยส่วนเดียวก็คือสงบตลอดชีวิตนะ่ไม่ได้ การที่เราสงบไม่ได้เพราะกามนั่นเองทําให้เราไม่ได้ทําให้เราสงบอย่างนั้นไม่ได้แต่ที่เราทําไปเนี่ยสงบบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเนี่ยฆ่าเขาก่อนไปเพราะกามเรามีอยู่แต่ถ้าเขาเกิดคนไหนบอกว่าเราอยากให้สงบตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยเนี่ยให้สงบแล้วก็ไม่หวนกลับมาสู่มีอารมณ์อีกเนี่ยได้ไหมเราอยากได้อย่างนั้นแนหะให้มันจบไปเลยแล้วก็ให้มันนิง่งทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าเราอยู่ในภาวะไหน ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตของเราเนี่ยให้มันสงบอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้นะมีทางเดียวคือเอาการออกมีทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่เอาออกอย่าหวังเลยก็เท่ากับว่าพุทธพจน์ที่ท่านกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบะระงับโดยส่วนเดียวไม่ได้เลย อันนี้ก็คือว่าถ้าคนนั้นละกามแล้วเนี่ยจะเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวได้นั่นเองอถ้าไม่ละเนี่ยไม่มีทางเท่ากับวาสมาที่ทั่วไปที่เราทำกันก็คื อ, อยังไม่ได้ละมันก็เลยว่าเป็นสมาธิก้อนแงนคอนแคนก้อนแงนคอนแก น, น, แนทำก็ยากทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ง่ายรักษายากมากดะนั้นเวลาคนที่ทำสมาธิได้เนี่ย เชื่อไหมเขารักษาเนี่ยรักษายากมากนะต้องทำแทบทุกวันเลยนะต้องเลี้ยงสมาธิไม่ให้ลอยล่องลอยการเข้าสมาธิของเรานะหายสามวันเนี่ยถ้าไม่เข้าลองดูทีเดี๋ยวจะเข้ายากแล้วล่ะสมาธินี่นะเพราะอะไรเพราะข้างล่างมันกา ม, มันมีอยู่มันปะทุอยู่เสมอฉะนั้นเวลาที่คนที่ชนะเรื่องนี้แล้วเนี่ย ความสงบนั้นสงบอย่างเดียวเลยไม่มีเลยดับสนิทเลยนะแล้วก็นิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในภาวะไหน อ, อยู่ในภาวะไหนไหมายถึงว่าไม่ได้นั่งสมาธิตลอดนะไม่ได้นั่งนะอยู่ธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเนี่ยแต่จิตท่านหนึ่งเดียวก็คือจิตพระของพระลานทั้งหลายก็คือไม่มีอารมณ์เลยเพราะว่าอะไรเพราะกามไม่มีอากามไม่มีนั่นเองก็ตรงกับพุทธพุทท่านกล่าวไว้ว่า มุนีละกามเสียหลาทั้งหลายเสียแล้วเนี่ยเป็นผู้สงบระงับด้วยส่วนเดียวได้เลย อ, อันนี้ก็คือว่าโทษของกามนี้มากมายกายกองนักขันเราอยู่ในโลกก็ชวนที่เราให้เราเนี่ยทากระทําในสิ่งที่ตกต่ําก็คือผิดศีลผิดธรรมมากมายใกล้คุกใกล้กกลกตารางตลอดขันเราตายไปอบายสี่ย่อมหวังได้แก่เราและขันเราจะมารู้ชัดทำคําสอน ก็รู้ไม่ได้เพราะมันปกปิดเราหมดเลยมันไม่นิ่งน่ะจะรู้ได้ยังไงอ่ะเสียทุกอย่างแม้จะลำทําให้รู้แจ้งคําสอนก็รู้ไม่ได้เพราะกามมีอยู่แม้จะไม่ได้ออกออกอยู่กับโลกไปมินเมตตคุกตาลางแม้จะตายไปแล้วอบายสีก็รอรับเราอยู่แม้แต่เราจะทําคิดทําดีสักหน่อยเขาก็ห้ามเราขวางเราไม่ให้ทํา ใจของเราเนี่ยตกต่ำมากก็คือเพราะกามตัวนี้แล้วก็เป็นที่มาของอกุศลมากมายอากุศลก็คือความคิดฝ่ายต่ำเวลาเราทำสมาธิไปไมาเห็นไหมทำไปทำไปความคิดฝ่ายต่ำจะเยอะมากเลยคิดไม่ดีอยู่เลยเลยแล้วเราเองก็ไม่ได้เจตนาจะคิดนะแต่มันคิดเองนะ่ยมันประทุขึ้นมาพ้นพวงเหล่านี้มาจากอะไรกาม ลากเง้าใหญ่คือกามฉะนั้นอกุศลเหล่านี้จะดับไปเมื่อกามนั้นดับถ้ากามนั้นดับปุ๊บเนี่ยจะไม่เหลือเลยอกุศลเหล่านี้จะดับสนิทเลยฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติทำกรรมฐานเนี่ยมันเหมือนก็ว่าละจิตของเราเนี่ยไม่เคยไม่เคยอบรมมาการก่อนเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆนะแต่คั้นมาเราม า, ม า, มาหัดทําสมาธิปุ๊บเนี่ยมันไปขุดคุยเนะี่ยไปขุดคุยเรื่องจิตใจของเราเนี่ยผัด เ, เขาเรียกว่าจิตเราเนี่ยปล่อยตามอาเภอใจมานานไม่ได้เคยได้กั้นไดขนนไ้ขวางมันมันก็ไปความันเลยแต่เมื่อเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราไปขัดไปขวางไปกั้นไปเนี่ยมันจะต่อต้านเราและความคิดเขาเรียกว่าความคิดอย่างรุนแรงเนี่ยจะมาต่อต้านเราอย่างมากมายฉะนั้นเวลาคนที่มาฝึกสมาธิเนี่ยไม่รู้ความคิดของตัวเองเนี่ยมากเหลือเกิน แต่เมื่อก่อนไม่ได้ทํานะดูมันก็ไม่มากนะอ่าดูเหมือนไม่มากเท่าไหร่เหมือนเราก็คิดอยู่ธรรมดาก็คิดอยู่แต่ว่ามันก็เรื่อยๆเปื่อยๆแต่เวลาทำกรรมฐ า, านเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยฟุ้งทั้งวันเลยคิดอะไรก็รู้มั่วไปหมดแล้วก็แล้วก็ความคิดไม่ดีเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งความคิดไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยช่างบั่นทอนจิตใจของเราเหลือเกินไม่ให้เราเนี่ยเข้าไปสู่ทางที่ดีแต่เราก็อุตส่าห์ฝืนนะ เออคิดไม่ดีไม่เป็นไรเราพยายามฝืนเอาพยายามจะทำดีตามนั้นแต่ก็เหมือนกับว่าฝืนกับสิ่งที่เลวร้วายตลอดหลายครั้งบั่นทอนจิตใจจนที่ว่ามองตัวเองแล้วเหมือนกับว่าไม่รู้จะโทษใครแล้วนะทาไปทามาก็โทษตัวเองว่าเราคงจะบาปหนาบาปหนาปัญญาหยาบเราถึงได้มีความจิตเออความคิดวิปริตวิปลิตผิดเพี้ยน คิดไปในทางอากุศลลามกเยอะแยะไปหมดคั้นจะบอกคนอื่นก็อายเหมือนก็ว่าเอาขายหน้าตัวเองแต่ท่านจะเก็บไว้ในใจก็เหมือนอมทุกข์ก็เลยว่าคนต่อภาวะอ่าที่ที่ที่เขาเรียกว่าจิตใจที่ดำนะจิตใจที่ต่ำทนอยู่อย่างนั้นคนท่านตัวเองจะไม่ไม่มาศึกษาคําสอนพระเจ้า ก็เหมือนก็ว่าเราก็ต่ำอยู่แล้วจะไม่ศึกษาก็ยิ่งจะต่ำกว่าอีกก็ดูความเร็ว้ายของชีวิต ค, คงจะมากกว่านี้อีกขนาดเราเข้าวัดมาเราก็ยังตกต่ำขนาดนี้ถ้าจะปล่อยเลยเาตามเลยเนี่ยเราคงจะหาความดีไม่ได้คันจะคันหน้าเข้าวัดมาศึกษาเรื่องพระธรรมคาสอนหรือมาปฏิบัติเพื่อจะสู้เขาดูเหมือนเขาก็จะมามากกว่าปกติมากกว่าจนจนจ น, จนผิดปกตินะ อันนี้นักปฏิบัติจะเจอคือคือไม่เข้าวัดก็ดูเหมือนจะต่ำไปเรื่อยๆมันต่ำอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าวัดมาก็ทำสูงขึ้นไม่ได้แล้วมีนำซ้ำจะมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำเหมือนกับว่าประดังประเดมาถอยก็ถอยก็ไม่อยากถอยจะสู้ก็ไม่อยากสู้คือสู้ก็ไม่ไหวถอยก็เห็นความเลวหลายก็เล ย, ยตกอยู่ภาวะที่ อึมคืมของชีวิตว่าจะเอาไงดีกับตัวตัวเองคันจะมามาประพฤติปฏิบัติก็ฝืนกับจิตใจที่ชั่วจิตใจที่ดำจิตใจที่ต่ำนั้นอยู่ตลอดคันจะถอยหลังเราก็เห็นภายในโลกมากมายยิ่งต่ำกว่าไปอีกขนาดนี้พยายามประคองให้สูงนะยังต่ำขนาดนี้เลยถ้าไม่ทุหลังขึ้นไปเนี่ยเราก็คงจะไม่มีอะไรดีสุดท้ายก็ตกภาวะที่ เหมือนก็ว่าถูกกดดันทุกด้านเลยมาทำสมาธิก็ยังไม่เกิดอีกหรือเกิดแล้วก็ยังไม่อยู่ไม่ไปไม่ประสบความที่จะเป็นสิ่งที่พอใจแถมสมาธิมากเท่าไหร่ความคิดไม่ดีนี้เหมือนก็ว่าเข้ามาต่อต้านมากกว่าผิดปกติจนเหมือนว่าจิตเราในวิปลิติผิดเพี้ยนไปทีเดียวก็เลยว่าน้อยเนื้อต่าใจว่าวาสนาของตนก็คงจะ สร้างอะไรไม่ดีมาเยอะคงจะไม่มีไม่มีบุญกับเขากับเขาอันนี้คนหลายคนหลายคนตกอยู่ในภาวะนี้นะคือไม่รู้จะโทษใครดีก็เลยโทษตัวเองว่าเราคงจะบาปมากบุญน้อยไม่มีบุญกับเขาเก็บความขื่นขมเก็บความในใจตัวเองไว้เป็นที่อึดอัดขัดเคืองมากอันนี้อันนี้ทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะ แต่ว่าขอให้กำลังใจหน่อยว่าทุกอย่างอย่าไปกลัวทุกอย่างมีทางออกยิ่งความกดดันของเรามากที่สุดนั่นแหละบีบให้เราเนีเดินหน้าอย่างเดียวถอยก็ไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวเรามีคำสอนพระเจ้ากลัวไปทำไมทุกอย่างเราแก้ได้สิใจเราเนี่ยถึงว่าเราเห็นตัวเองว่าจิตใจของเรานี้ตกต่ำมาก อย่าน้อยใจอย่าท้อใจเราสู้ต่อไปแล้วทางออกมันมีไม่ใช่ไม่มีมีทางเดียวคือการมาคุณออกนะแล้วเราจะปลอดภัยความคิดที่ชั่วต่างๆความคิดที่บอกว่าไม่ดีทั้งหมดจะอันตรธานหายสิ้นไม่มีเหลือแม้แต่นิดเราจะเห็นใจของเราสะอาดมากน่ารักมากแล้วเรารู้ว่าเรารู้เลยว่าเรามีบุญมากเลยก็คือกามเราไม่ได้เอาออก มันก็เลยก็คือบริวารของเขานั่นเองแล้วเรายิ่งทําสมาธิเนี่ยเขาจะต่อต้านเรามากเขาจะบางคนบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้ทำนะก็ไม่เห็นความคิดจะจะจะมากขนาดนี้เวลาเรามาทําสมาธิทำไมมันมากลวเกินไม่ใช่มันมากขึ้นมาหรอกมันมากเพราะว่าเขามาต่อต้านเราไม่ให้ทำ <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ทําสมาธิเราไม่ทํากรรมฐานเขาไม่ได้มาต่อต้านก็ดูเหมือนน้อยอบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกลับไปอยู่เผาคนเดิมดีกว่าไม่ทําเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ทําก็ไม่เห็นมันเยอะอย่างนี้ทํำเราเครียดมากก็กลายไปจากลับคนเดิมเนี่ยอย่าคิดอย่างนั้นนะความจริงแล้วคนเดิมที่เราไม่ทำเมื่อก่อนเนี่ยความคิดเราอากุศล น, นี่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าอะไรความจริงมากอยู่แล้วแหละ แต่มันนอนก้นอยู่เหมือนตะกอนนอนก้นมันไม่ได้ฟุ้งขึ้นมามันไม่ได้คิดมาต่อต้านเรามันก็เลยสยบเหมือนผู้ล้ายที่ซ่อนตัวอยู่ยังไงก็เท่าเดิมนั่นแหละไม่ใช่มากขึ้นหรอกเท่าเดิมแต่ตอนที่มันมันมามาเวลาทําสมาธิมาเนี่ยเขาประดังประเดขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่ามากขึ้นความจริงไม่มากหรอกก็มาจากเท่าเดิมนั่นแหละแต่เขาคิดต่อต้านเรา อุปมาเหมือนก็ว่ามีพึ่งหลังหนึ่งพึ่งหลังนี้ก็มีจำนวนตัวก็เท่านี้แหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะพึ่งหลังนี้ก็ไม่เห็นมันต่อยอะไรแต่วันหนึ่งเราคิดอยากจะเอาน้ำพึ่งขึ้นมาปรากฏว่าต่อยมากอ่าเขาก็หวงน้ำหวานเราก็จะเอาน้ำหวานมาฉะนั้นเราจะต้องถูกพึ่งนี้ต่อยมากมาย ถ้าคนนั้นคิดว่าเอ่เมื่อก่อนพึ่งเน่มันไม่เห็นมันต่อยอย่างนี้นะตอนนี้มันต่อยแสดงว่าพึ่งมากขึ้นสิความจริงไม่ได้มากนะก็เท่ารังเดิมนั่นแหละแต่เมื่อก่อนไม่ต่อยเพราะเราไม่ได้คุยเขี่ยมันเราไป ไ, ไม่ได้ไปทำร้ายรังมันแต่ว่าตอนหลังที่เราถูกต่อยเนี่ยก็คือว่าเราไปทำร้ายเขาไปไปเอาน้ำหวานเขาไปยุแย่เขาทาให้เขาเนี่ยต่อต้าน แต่พึ่งนั้นก็ไม่ได้มากกว่าลังเดิมนั้นหรอกเท่าลังเดิมนั้นแหละอันนี้อุปมาให้ฟังว่าความคิดชั่วๆต่ําๆของเราเนี่ยเยอะแยะในใจของเราเนี่ยความจริงเท่าเดิมนั่นแหละแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้มาต่อต้านเราเพราะเราไม่ได้คุยเขีย่ยเขาอันนี้อันนี้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เรามาทําสมาธิเนี่ยเราไปคุยไปเขีย่ยไปกดดันไปไปข้ามไปไปกดดันเขานะ่ะมันก็เลยประดังออกมาเขาก็เลยต่อต้านเรา ก็เลยดูเหมือนมากผิดปกติฉะนั้นอย่าไปกลัวความจริงแล้วเนี่ยจิตใจกิเลสของเราที่ที่มันมากขึ้นมามันไม่ได้มากหรอกมันอยู่ในใจเรานั่นแหละเราเห็นผู้ร้ายเนี่ยเห็นหน้าผู้ร้ายเนี่ยยังดีกว่าที่เราเห็นไม่เห็นหน้าผู้ร้ายผู้ร้ายอยู่ในป่าในรที่ลับเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเขาทาลายเรา เราไม่เห็นตัวเขาเลยนี่่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเราเห็นหน้าศัตรูยังดีกว่าที่ศัตรูอยู่ในที่ลับอันนี้ก็เหมือนกันว่าเมื่อก่อนเราไม่เห็นอากุศลของเราว่ามันมีหรือไม่มากน้อยแค่ไหนเรามองไม่ค่อยเห็นเพราะมันไม่มันไม่แสดงอาการออกมาเท่าไหร่แต่ครั้นเรามาทําสมาธิเนี่ยโอ้โหไม่รู้มาจากไหนมากมายก่ายกอง ความจริงแล้วการเห็นนั่นแหละทำให้เราดีกว่านะบางคนมองว่าโอ้ไม่ดีเลยมันเยอะแล้วเกินดีต้องมองดีไว้ก่อนว่าเยอะนั่นแหละเราเห็นหน้าเขาแล้วเมื่อเห็นเขามากอย่างนี้เราเรากดดันมากถูกกดดันมากเนี่ยดีมากเลยเพราะอะไรเพราะเราจะให้เราเนี่ยเห็นโทษของกามซะแล้วก็คิดทำลายกามซะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีความบีบคั้นอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะคิดออกจากกรามก็คงจะยา ก, ก น, นะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เห็นโทษในกรามทั้งหลายทีนี้ว่าเรามามามาเห็นโทษแล้วเนี่ยเราคงคงจะคิดหาทางออกจากกรามนั้นได้อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่า กามนี้มีโทษมากพุทธองค์ทรงกล่าวเรื่องนี้ว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีโทษมากมีโทษมากคือท่านไม่ได้บอกว่ากามนี้ไม่มีไม่มีไม่มีสุขน้อยไม่มีสุขเลยท่านไม่ได้กล่าวท่านบอกว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีทุกขมากแสดงว่า สุขนั้นอ่ะมีอยู่แต่สุขน้อยนิดแต่โทษที่ตามมาเนี่ยมากมายท่านเปรียบเหมือนว่าท่านเปรียบเหมือนว่ า, านายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดโคคาดหมายถึงว่านายฆ่าโคนั่นเองเหมือนคนฆ่าโคนะ่ะ ที่ชำแหละเนื้อโคอยู่โดยที่เอาเอาเอามีดเนี่ยเลาะเนื้อออกจากกระดูกเนื้อที่ติดกระดูกเนี่ยเลาะจนเหลือแต่กระดูกนะ่แล้วก็โยนทิ้งไปสุนัขตัวหนึ่งหิวโซมาจากที่อื่นแล้วก็ แทะคาบกระดูกนั้นไปแล้วก็แทะเนื้อที่ติดนั้นแทบไม่มีเลยมีแต่คาบเลือดความหิวของสุนักนั้นจะบรรเทาหรือไม่เพราะความหิวนั้นเป็นเหตุแล้วก็แทะกระดูกนั้นแทะแล้วแทะอีกแทะแล้วแทะอีกเนี่ยความอิ่มท้องย่อมไม่ปรากฏท่านเปรียบเหมือนว่ากามก็ฉันนั้นแหละ อร่อยอยู่ในลิ้นแต่ไม่เคยอิ่มเลยเหมือนหมาเหมือนสุนัขที่แทะกระดูกนั้นของนายโคคาาที่โยนให้ให้สุนัข ก, กินสุนัขนั้นหิวมาเนี่ยจะอิ่มท้องได้อย่างไรอ่าเขาเรียกว่าเนื้อแทบไม่มีเลยมีแต่ว่ากระดูกที่เปื้อนเลือดอยู่ความอิ่มท้องจะมีได้อย่างไรฉะนั้นกามนี้ก็เหมือนกัน ความอร่อยของของการแทะกระดูกนั่นเองแต่ก็ไม่อิ่มท้องความอร่อยนั้นเปรียบเหมือนสุกที่มีอยู่ความอร่อยนั้นเปรียบเหมือนสุกแต่ทุกที่ตามมาก็คือความไม่อิ่มท้องท่านเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกอันนี้ก็คือว่ากามากามนี่ก็คือว่าเหมือนเปรียบเหมือนว่าสุนัขแทะกระดูก